ฝั่งที่ครบรค่คะรายการสแสนีสนทนานะคะถ้าหาก็ได้ยินเสียงอะไรนี่นีๆห น, น่อยๆ น, นี่ต้องบอกว่าเป็นเสียงธรรมชาติค่ะเสียงนกร้องแถวๆนี้เราอยู่ในสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเอฟเอ็มร้อยหกสำหรับการออกอากาศค่ะส่วนการบันทึกเทศนั้นเราทำาข้างนอกตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะได้ไปพบกับการนำเอาพูดทวัจนะเนี่ยมาตอบคาถามและช่วงเวลาที่พิเศษนะคะ ทำให้เราได้รู้จักพระพุทธองค์หลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมาถึงวันนี้เราก็มีพระพุทธเจ้ามา 2,600 ปีแล้วและเราก็กำลังอยู่ในห้วงเวลาของการเฉลิมฉลองใหญ่คือพุทธชยันตีเพื่อที่จะได้นาไปสู่การที่เราจะไปพร้อมๆกับคนที่ศรัทธาในพระพุทธองค์จะเฉลิมฉลองจะถวายการบูชาให้กับพระพุทธองค์ฟัรายการนี้ เราสามารถจะถวายการบูชาที่เรียกว่าเป็นการบูชาสูงสุดกันเป็นเลยนะคะเท่าๆกับที่ระดับชาติระดับโลกก็ทำกันนั่นแหละเรามาพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนกันเลยนะคะน้อมสักการทะท่านคะเชิญพาค่ะก็ให้ท่านได้นำในการที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสบูชาสูงสุดพระพุทธองค์อย่างถูกวิธีนะคะค่ะทีนี้มาถึงวันนี้ ก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลานั้นเดี๋ยวขอกลับเรียนถามเรื่องอื่นมาได้ไหมคะได้ได้ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับดาราสาวคุณสแกวันยงใจยุทธที่ออกมาสารภาพในรายการทรทัศน์ว่าจากการที่มีอุบัติเหตุจนทำให้ผู้ที่นั่งมาในรถกับเธอซึ่งเป็นคุณลุงกับคู่กรณีรถอีกคันหนึ่งที่ชนกันอย่างประสานงา เสียชีวิตและเธอเคยพูดไปว่าคุณลุงที่นั่งมาในรถของเธอและเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนขับผ่านไปเดือนครึ่งค่ะบอกมาบอกว่าเธอขับเองมาสารภาพกับสังคมแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทรมานทั้งกายและใจ การประกาศแบบนี้เท่ากับว่าเป็นการปลดทุกข์ในใจถ้ามองแบบแบบพุท ธ, ธเนี่ยนะคะอือจะวิเคราะห์อย่างไรเพราะว่าการที่เราได้ถ่ายเท ส, สิ่งที่เราเก็บงำ ม, มานานแ ล, แล้วจริงๆแล้วก็เปิดเผยไมันอาจจะเป็นทุกข์เป็นโทษกับเราด้วยอันนี้ก็มีอยู่สองสามประเด็นถามประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าอผู้ที่เปิดเผยความผิดของตัวเองแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีสมาธิธคือเปิดเผยความผิดตัวเองออกมา ความผิดเนี่ยนะคุณโยมติ๋วถ้าเรายิ่งเก็บเอาไว้เนี่ยยิ่งเก็บเอาไว้ไม่เปิดเผยออกมามันจะยิ่งเจริญมีมากขึ้นนะถ้าเราเปิดเผยออกมาความผิดความชั่วตรงนั้นจะหายไปนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงมิจฉาทิฐิเนี่ยถ้ายิ่งปิดไว้ทำลับลับลี้ลับลับเนี่ยไม่บอกคนอื่นเนี่ยยิ่งเจริญแต่ในขณะเดียวกันถ้าเผืว่าเราเปิดเผยมิจฉาที่ฐิออกมามันจะเงียบไปเลยระงับไปเลยแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความกลัวและความละอายต่อบาป คนกลัวคนลายตาบาบเนี่ยความชั่วเนี่ยเขาทํายากนะในในเหตุการณ์น่า จ, จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอมันมันมีอะไรหลายอย่างพัสสะหลายอย่างเกิดขึ้นประตานประดังเข้ามาทั้งคนตายทั้งคนแอะไรต่างๆเขาก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนอย่างนี้นะพอเขาตั้งสติได้รู้สึกอะไรผิดอะไรชั่วอะไรดีอะไรถูกเขาประกาศความจริงออกมาอันนี้น่ายกย่องแต่น่ายกย่องมากอันนี้ประการที่1นะประการที่สองเนี่ย พระเจ้าเคยบอกว่าความชั่วของตัวเองเอามาเปิดเผยเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นถามเนี่ยคนที่เป็นคนดีนะเป็นสัตว์บรุษนะเป็นคนดี อ, อ๋อหมายความว่าอันนี้เข้าข่ายของเรื่องการมีสัมมาทิฏฐิอ่าถูกต้องมีความคิดมีความคิดเห็นที่ถูกต้องอืมความกลัวความละอายต่อบาป น, นี่คือคประเด็นนี้อืท่านคะทีนี้ดิฉันเคยดูดูหนังนะคะดิฉัาน ถ้าเป็นาศาสนาคริสต์เนี่ยรู้สึกว่าการไปสารภาพบาปเนี่ยเขาจะทำมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราเข้าไปในโบสถ์เราก็จะเห็นตําแหน่งของที่เขาขให้ ช, เ, ช เ, เล็ๆไปแล้วก็ดูหนังเนี่จะเห็นบ่อยออแต่ว่าการสารภาพบาปเขาดูเชนเครื่งงนะคะว่า เ, เป็นคนที่ทําผิดแล้วก็ยังทําอยู่แล้วก็จะทําต่อไปอืแต่ก็ไปสารภาพบาปเป็นระยะระยะอันนี้เราไม่พูดถึงศาสนาอือ่นนะคะสมมุติเกิดเป็นคนพูด แล้วก็มาสารภาพแบบเนี้ยคือทำไปสารภาพไปจะทำต่อสารภาพไปท่านบอกว่าการสารภาพมันทำให้ให้จางหายไปความผิดจะหายไปความผิดนี้จะก็เพียงผิดโยนะคือแต่ว่าที่เราจะหายไปเนี่ยคือความไม่สบายใจนะอย่างสมมติว่านิ้วเราขาดไปเนี่ยเราตัดนิ้วใช่หมนิ้วหลุดไปเนี่ยคุณสมานแผลทำแผลนะแต่นิ้วไม่ได้กลับมานะ ก็ใช่ไหมเหมือนกับ เ, เราทําอาบัติเราผิดอาบัติสักก้อนหนึ่งเราผิดความผิดสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราทําไปเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดเผยออกมาไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องนะคุณก็ยังเลือดไหลยอยู่นะความชั่วก็ยังพอกพูนอยู่ในจิตอยู่แต่ว่าเมื่อไห ร, เรเ่เราเราทําให้มันถูกล้เราแก้ไขแล้วเราเปิดเผยออกมาแล้วนะความชั่วก็ไม่มาหนักใจแต่ความดียังไม่ได้เกิดขึ้นนะคือนิ้วไม่ได้งอกกลับขึ้นมาแล้วทายังไงเราก็ต้องสร้างความดีเพิ่มจะมาด้วยการที่ทา สินสมาธิปัญญาให้ทานด้วยอย่างนี้ก็ไปได้ อ, อันนี้ดิฉันแวะออกนอกเรื่องไปสักนิดหนึ่งทีนี้อาจจะคงยังเหลือประเด็นที่ท่านอยากจะพูดถึงการออกมาสารภาพความผิดของตัวเองนอกเหนือจากที่ว่ามีสมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว อ, อ, อีกประเด็น ท, ที่สองก็ยังพูดถึงว่าเป็นคนดีน ะ, ค, ะคนที่เป็นสัตว์บุตรคือคนดีเนี่ยความชั่วของตัวเองเนี่ยไม่ต้องรองให้คหนอื่นถาม นะเอามาเปิดเผยให้ปรากฏเลยถ้าเขาถามในรายละเอียดนะบอกอย่างทุกเม็ดหยองอย่างละเอียดรอบขอบถ้าถามจังหน้าอย่างสมมุติออกรายการทีวีใช่ไหมถามในรายละเอียดจังหน้าเนี่ยนะเราก็บอกอย่างละเอียดไม่มีการน่วงเหนียวลดหยอด่อนอันนี้ถือว่าเป็นคนดีนะออืถ้าเขาถามต้องถ้าถ้าแบบผู้ท้วจนะที่ตราดเอาไวน้นี่คื อ, อต้องให้เข้ามาถามด้วย<อ>คือไม่ไม่ไม่ต้องถามก็บอกเปิดเผยให้ปรากฏความชั่วตัวเอง นะแต่ถ้าถูกถามจังหน้าก็บอกในรายละเอียดอย่างไม่มีการลดหย่อนเนี่ยวเนีย ว, ย ว, ยวลดหย่อนไม่มีเลยค่ะเพราะนั้นถ้าถ้าในกรณีนีนะ้เราไม่ต้องให้คหนอื่นเขาถามนะเราบอกเองแล้วถ้าเขาถามในถ้าเาถามเราก็บอกให้ในรายละเอียดได้คือถ้าสิ่งไม่ดีแล้วไม่ต้องไปรอให้ใครเขาถามเปิดเผยออกมาด้วยตัวเองซะแต่ถ้าเขาถามซึ่งหนะ้า ให้เปิดเผยให้มากที่สุดมีรายละเอียดให้มากที่สุดเลยบอกให้เต็มที่เลยค่ะอ่าแนี้บางคนในสมัยปัจจุบันมันตรงกันข้ามไง ค, ความดีของตัวเองเนี่ยเขาไม่ถามเอามาเปิดเผยน ะ, ะเขาถามนิดนึงบอกอย่างละเอียดนึกซึ้งเลยแหมอันนี้ไม่เป็นคนไม่ดีนะคนชั่วค่ะเป็นอาศัตรุรดแหมบางทีก็ดูภาพเป็นคนดีๆอ่าตำบาสนะคะดิฉันว่า ในยุคที่ต้องหาเสียงกันการหาเสียงคือไม่ใช่คนอื่นพูดถึงเราต้องไปบอกเองว่าฉันดีอย่างนั้นอืมฉันดีอย่างไรข้อไม่ดีไม่พูดเลยอืมของตัวเองนะคะแต่จะแถมข้อไม่ดีของคนอื่นมาอันนี้ก็จะต้องระวังพอพูดพอสมควรนั่นแหละนะพูดไม่ให้มันมากเกินไปแล้วก็พูดถึงนโยบายถ้าพูดถึงเรื่องการหาเสียงนะค่ะอพูดถึงนโยบาย มันก็มีจุดของมันเดี๋ฉันก็ว่าน่าจะเป็นทำนอง น, นี้แหละนะคะในส่วนตัวเองเคยผ่านเวทีตรงนั้นมาก็ไม่เคยด่าใครนะคะอันนี้แต่แต่ว่าเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นการโอ้โอวดตัวเองผิดหลักของพุทธเจ้าอีก <c oughs> แต่ว่าก็เห็นด้วยกับหลักการของพุทธเจ้ามากๆเลยนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าพอเริ่มต้นมันเริ่มต้นไม่เป็นอะไรที่ถูกต้องตามธรรมซะแล้ว <c oughs> ในขั้นตอนต่อไปมันก็น่าเป็นห่วง ท่านคะทีนี้มีประเด็นอื่นอีกไหมคะนอกจากสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่เป็นสัตว์บุรุษคือเป็นคนดีแล้วเนี่ยคนคนอย่างนี้เนี่ยนะคนที่เป็นคนดีเนี่ยเราก็ยกย่องเขาใช่ไหมที น, นี้พอเรายกย่องแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ว่าในสังคมเขาจะยกย่องเท่านั้นยังรวมถึงในระบบศาลเนี่ยเขาก็ยังมีการลดหย่อนผ่อนโทษให้คือถ้ามันมีคนตายเนี่ยก็คงต้องมีบทลงโทษตามตัวกฎหมายแหละแต่ว่าถ้า ตามตัวกฎหมายเนี่ยเราพูดความจริงเราบอกความจริงเนี่ยศาลเขาจะมีระบบการลดหย่อนโทษให้อยู่ดีใช่ไห ม, มแล้วก็ในทางกรรมนนในเรื่องของกรรมเวรบาปกรรมเนี่ยการที่มีคนตายโดยที่เราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะอันนี้มันก็จะไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดศีลหรอก แ, แต่ภัสสะที่เกิดขึ้นนั่นคือการมีคนตายภัสสะที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะทําให้เราไม่สบายใจอันนี้เป็นไปได้ วิธีการแก้ไขก็คือว่าเราก็ารักษาศีลทำสมาธิภาวนาให้ใ ห, ให้เรียดเล็กซึ่งขึ้นไปปล่อยวางให้ได้ซะนะคะค ถ, ถูกต้องคือเนี่ยอย่างในกรณีที่เรากำลังสนทนากันอยู่เผื่อท่านจะมาฟังทีหลังฉันก็เห็นเป็นเรื่องที่ปรากฏไปทั่วแล้วนะคะในสื่อต่างๆเรื่องราวของคุณสแกวันยงใจยุทธที่ออกมาสารภาพว่าได้เป็นผู้ขับรถชนคนตายเองภายหลังจากที่ เคปฏิเสธมาแล้วก็บอกให้คนอื่นเป็นผู้รับผิดแทนตัวเองไปเนี่ยนะคะทีนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตามถามแล้วก็ยังชี้ทางออกให้ด้วยเพื่อให้ถ้าเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะท่านให้ใช้วิธีที่แนะ น, นาไปคือคือจะเป็นชาวไหนก็นแล้วแต่เถอะค่ะได้ทั้งนั้นถ้าเห็นประโยชน์นะคะถ้าเห็นประโยชน์ดิฉันเห็นคนบางคนเนี่ยจะมี กรอบของาศาสนาของตัวเองที่นับถือเนี่ยค่อนข้างแข็งแต่บางครั้งไปเจอคนที่นับถือาศาสนาเดียวกันแต่คนที่ตีกรอบแข็งขันคนนั้นนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างง่ายไปปฏิบัติธรรมกระตั้งคะอันนี้เป็นเรื่องน่าทึ่งมากคนดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งพวกเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเขาเป็นชาวคริสต์ค่ะท่านเชื่อว่า เวลาพระแสดงธรรมก็มานั่งฟังธรรมนะออ oh. แล้วก็เป็นคนนุ่มนวลปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าคนทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ไปเห็นการเข็นที่คอเขาเราไปถามเขาว่าเขานับถือศาสนาอะไรเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาเป็นผู้อยู่ในขันลองของพุทธธรรมค่ะอืออก็คืออย่างที่อาจารย์มาเคยบอกอยู่เป็นประจำอะว่าคือศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือคือพูดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าก่อนแตว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ ที่จะตั้งาศาสนาหรือว่าตั้งลัทธิอะไรขึ้นมานแต่ประเด็นของพระองค์ก็คือว่าการแก้ปัญหาของมวลมนุษย์นั้นทำไงเราถึงจะมีความอยู่เป็นสุขได้ตรงนี้ค่ะทีนี้เวลาก็เหลืองวดลงมาทุกที ห, หลายคนบอกฟังมาตั้งกับเมื่อวานอยากรู้จังเลยว่าทําไมเมื่อพระพุทธองค์คิดว่าธรรมะของพระพุทธองค์ยากที่จะให้คนทั่วๆไปเข้าใจแล้วสุดท้ายถึงได้ตัดสินใจบอกสอนต่อ ก็ในเรื่องนี้พอตอนที่พระพุทธเจ้ามานั่งทบทวนธรรมะของพระองค์เองแล้วเนี่ยพบว่าโอ้โหมันมันยากจริงๆในะเรื่องนี้เป็นพุทธวจนะที่ได้เคยตรัสไว้กับโพธิราชกุมาร น, นะบอกว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมอันลึกสัตว์อื่นเห็นได้ยากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามเป็นธรรมระงับและประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยังลงง่ายด้วยความตรึกตรึกเป็นของละเอียด เป็นวิสัยที่รู้ได้เฉพาะบัณฑิตก็สัตว์โลกเหล่านี้มีอะไรเป็นที่ยินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่ยินดียากนักที่จะเห็นธรรมคือสิ่งนี้ที่มีอะไรเป็นปัจจัยยากนักที่จะเห็นธรรมเป็นที่สงบประงับแห่งสังขารตั้งปวงเป็นที่ดับไม่เหลือคือนิพพาน หากเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เราเป็นความลำบากแก่เราเสร็จแล้วก็มีจิตน้อมไปเพื่อความควรขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมพอเป็นอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะสามบดีพรมนะที่อยู่เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเทวดาชั้นพรมนะที่อยู่ข้างบนนู่นเลยนะชื่อสามบดีพรมพอสามบดีพรมเนี่ยเขาได้ ทราบความปริวิตรกในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณคดมเนี่ยด้วยใจแล้วก็มีความคิดว่าไอาย้ยาตายแล้วโลกจะชิบหายแล้วแล้วผู้เจริญโรคจากพินาเสียแล้วหนอเพราะเหตุที่จิตแห่งพระตถาคตผู้อรหันต์ัสมาสัมพุทธเจ้าน้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมแล้วพอสามวัดีพรมคิดอย่างนี้แล้วก็เลยวาบมาจากชั้นพรมเนี่ยมาประกบอยู่ที่หน้าของพระพุทธเจ้า นะก็ปรากฏอยู่ที่หน้าของพระพุทธเจ้าก็เข้ามาหาแล้วก็ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญเชรีนะแล้วก็กู้เท้าลงข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวกับพระพุทธเจ้าบอกว่าขอให้พระสุคตเนี่ยจงแสดงธรรมเถิดนะขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมเถิดสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับพระไม่ได้ฟังธรรมสัตว์พูดรู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ แล้วก็ได้กล่าวเป็นคาถาอีกนะพอหลังจากนั้นประเด็นตรงนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าอ่สหมดีพรมเนี่ยทำไมจะต้องไปเดือดร้อนกับการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาสแสดงธรรมด้วยคุณําติมีความเห็นว่าไงตรงนี้ไม่แน่ใจคะ่ะท่านค่ ะ, ะคือในเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งสมัยพุทธกาลแล้วนะว่าคนเนี่ยเขาก็ไปบูชาพรมไปอ้อนมอนพรมไปอะไรต่างๆเนี่ยนะ ที S <S นี้ว่าถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาช่มาทวนกระแสเนี่ย ค, ความเบียดเบียนเนี่ยจะเป็นไปในวงกว้างมากจะทําให้ยิ่งคนเนี่ยจะไปขอบวงสวงกับพระพรหมมากเลืินพรหมนี่ก็จะถูกกวนอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนนะคซึ่งในปัจจุบันสมัยนั้นเนี่ยพรหมนี่ก็ถูกกวนมากพอแรงแล้วนะคนเดีเขามาอ้อนวอยคน้ามาขอคนก็มาบูชาอะไรต่างๆไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยพรหมอะที น, นี้ <S 2> <S 2> ถ้ายิ่งมีนั่นเขาอาศัยเหตุอะไรในการไป กวนพรมนาไปขอพรมก็เพราะเขามีความทุกข์แล้วทีนี้ว่าถ้าไม่มีคําสอนพระชาติมาช่วยทวนกระแสลดความทุกข์ลงแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งถูกกวนมากขึ้นนะเขาก็เลยเป็นเดือดร้อนเพราะข้อนี้เป็นเหตุนั่นนี่เป็นมุมมองอาตมานะอ๋อค่ะทีนี้ว่าหลังจากนั้นพระชาติพิจารณาอย่งไรต่ออันนี้ <c oughs> เราจะมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ตรงนี้จะมีรายละเอียดที่พระชาติจะพิจารณาต่อด้วยนะคือก็ไม่ใช่ว่ารับคำอารัธนาของพรมโดยทันทีแต่มีการพิจารณาอยู่ในแง่มุมนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ <c oughs> เนี่ยคะ่ะเนื่องในโอกาสเรามีพระพุทธองค์มาในปีนี้เป็นปีที่สองพันหกร้อยเขากำลังจะเฉลิมฉลองใหญ่กันรายการนี้ก็ให้เขาให้เหมือนกับเป็นการสอดรับกับทุกคนที่เฉลิมฉลองแล้วก็ตบท้ายนิดได้ไหมคะท่านไปบูรวันนี้จะเป็นการให้เรื่อง ในการที่จะไปปฏิบัติบูบชาพวิธีใดสําหรับวันนี้จะได้เป็นการบูชาสูงสุดร่วมเฉลมิมฉลองกับเขาไปด้วยที่บูชาได้ใช้มาตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ด้วยซ้ําแล้วก็ใช้มาตลอดในหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนั่นก็คืออนาปันสติแต่ถ้าเรามีสติในลมหายใจนี่ก็เรียบร้อยเลยบูชาเรียบร้อยลอะเบ็ดเสร็จนะคะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้อย่างที่ท่านมางนำทุกๆวันในช่วงเช้านั่นะคะใช่ใช่ นะคะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นพานหวังที่เคารพค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยนะคะก็วันละเล็กวันละน้อยสังสมสุตตะนี่ก็ได้กุศลเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่บูชาตถาคตเหมือนกันนะคะเราโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราโชคดีที่เกิดมาพบพระพุทธเจ้าเราโชคดีที่เกิดมา ในวันที่ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่จะสอนพวกเรากระชก כ ช่วยความโชคดีนี้เอาไว้กันให้ทั่วหน้าทุกคนนะคะโดยมีรายการสรนสันนิษ น, นาที่ดำเนินรายการโดยดิฉันสรนสันนิานาพงเป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยเข้าถึงได้อย่างง่ายๆในถ้อยคําที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทาให้เราเนี่ยได้พบพระศาสดา เพราะพระพุทธองตรัสไว้เองนะคะว่าในการล่วงไปแห่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นศาสดาวันนี้เราคงจะลากันไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวัสสวัสดีค่ะ